185. จงดจตุมหาประเทศะกระถาว่าด้วยมหาประเทศสี่สมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงอยู่ในข้อบัญญัติบางอย่างว่าสิ่งใดหนอพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้สิ่งใดหนอไม่ทรงอนุญาตไว้ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคได้ประทานมหาประเทศไว้สี่ข้อคือภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควร ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร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 สิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้น ควร